เพราะนั้นการที่ทำให้ใจไม่ทุกข์นั้นก็คือรู้จักปล่อยวางคือไม่ยึดมั่นถึงมั่นความไม่ทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นทันทีเหมือนกันนีน่คือธรรมะจากชีวิตวันหนึ่งและคืนหนึ่ง